เนี่ย อ, องค์ประกอบในการเผยแพร่ธรรมะให้แก่โลกเนี่ยนะมีมีหลายอย่างนะเพราะว่าในโลกนี้คนที่ถือบางคนก็ถือรูปเป็นประมาณบางคนก็ถือเสียงเป็นประมาณเรียกว่าถือชื่อเสียงเป็นประมาณบางคนก็ถือความเศร้ามองเป็นประมาณบางคนก็ถือธรรมะเป็นประมา ณ, ารรมมาณว่าไ ง, ง คนที่ถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าเขาเกิดในยุคของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนั้นมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้านั่งอยู่ตรงหน้าใครเนี่ยมันก็เหมือนกับพระจันทร์ลอยขึ้นบนท้องฟ้านะก็เหมือนกับสองเราแต่เพียงผู้เดียวฟังกนอันอนี้เป็นความพิเศษแห่งบุญของพระองค์ที่ความที่พระองค์เนี่ยมีบุญมากเพราะฉะนั้นศาสตร์ทั้งหลายที่ อย่างน้อยที่สุดจิตเป็นอกุศลเนี่ยเห็นหน้าพราะองค์ก็กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นนะนะสามารถที่จะประคองให้เขาเกิดศรัทธาได้นะทำให้จิตเขาเบาอย่างบางคนเนี่ยนะเตรียมจะไปถามปัญหาเลยนะพอพุทธเจ้ามาจะถามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไปเห็นหน้าจริงๆก็ไม่ถามละนะนนเห็นปัญหาของตัวเองไร้สาระสิ้นดีเลยที่จะไปถามพระองค์อย่างเงี้ยเอบางคนก็ถือเสียงเป็นประมาณนับถือถึงความ ชื่อเสียงเนยนะในบรรดาชื่อเสียงของพระ อ, องค์นี้พระ อ, องค์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากใครๆก็ยกย่องนับถือสารเสิร์นไปที่ไหนก็มีแต่คนยกย่องเนี่ยนะอันคนที่นับนับถือเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงก็จะไปหาพระ อ, องค์แล้วอีกอย่างหนึ่งพูดถึงความเศร้ามองพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวได้เศร้ามองมากธรรมดาพระ อ, องค์บางครั้งก็นอนโคนไม้เนี่ยนะที่อยู่อาศัยพระ อ, องค์ก็นอนโคนไม้อาหารก็ฉันอาหารบิณฑบาตรวม ซึ่งจากกษัตรมาฉันมินทบารดรวม น, นะข้าวแป้งรำเนี่ยนะเอารำมาผสมแป้งนิดหน่อยแล้วก็ปิ้งให้มสุกอะ่ะพระองค์ก็ฉันได้เพราะงั้นทางกษสัตรพระองค์มาเสวยในลักษณะนั้นเนี่ยคนก็เลื่อมใสในความเศร้ามองของพระองค์หรือแม้กระทั่งผ้าจีวรที่พระองค์ใช้เป็นผ้าที่ไปไปเอามาจากศพของนางปุณณะศรี นะนอนเนี่ยเต้นไปนหมดพระองค์ก็เอาไม้ปัดๆัๆออกแล้วเอาไปเย็บยอมแล้วก็นุ่งนะแม้แต่ผ้าของพระองค์เองก็เป็นผ้าที่เศร้าหมองถ้ากล่าวถึงความเศร้าหมองเนี่ยพระองค์เศร้าหมองเรียกว่าทําตัวได้เศร้าหมองมากเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของกลุ่มคนบางกลุ่มแล้วผู้ที่นับถือทำเป็นประมาณพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นธรรมราชานีนะ เป็นผู้ที่เคารพธรรมเป็นผู้ที่ยกย่องธรรมเป็นผู้ที่สละเสริญธรรมะพระพุทธเจ้านี้เคารพธรรมะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถือธรรมะเป็นประมาณไปหาพระองค์อ ก, ก็ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นที่รวมศ ร, รัทธาเป็นต้นของของสา์ทั้งหลายพูดถึงความเศร้าหมองทั้งสี่ประการนะแต่ส่วนในยุคนี้จะพอได้ก็คอือถือธรรมเป็นประมาณ แต่ว่าการถือทำเป็นประมาณนี้ในแสนหนึ่งเหลือคนเดียวเนี่ยนะถือทำเป็นประมาณหนึ่งในแสนนะที่ถือทำเป็นประมาณแต่ถ้าหากว่าถืออย่างอื่นเป็นประมาณนี่มากมากจริงๆเนี่ยนะเรื่องถือรูปเป็นประมาณถือโคศัพท์เนี่ยนะชื่อเสียงถือความเศร้ามองอันนี้มากเนี่ยนะแต่ว่าถือทำเป็นประมาณนี้น้อยจริงๆ แต่ทีนี้ก็พอพูดถึงคําว่าน้อยยังไงก็นึกเข้าข้างตัวเองทุกทีบอกเออน้อยก็มีเราหนึ่งคนในนั้นก็เอาละนั่นนะส่วนคนอื่นก็ก็ธรรมดานะเขาก็มาตามทางของเขาอะนะนึกที่ในพระสูตรในชาดกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่พูดถึงแม่เนี่ยลูกตายอะแม่พอลูกเขาตายปั๊บเขาไม่เสียใจยอะไรหรอกเขาคิดว่าเอ้ตอนเขามาฉันก็ไม่ได้ชวนเขามานะคราว่า ตอนเข้าไปเขาก็ไม่ได้ลาชั้นเพินท่านไม่รู้จะไปเสียใจทำอะไระนะเขาก็เป็นลักษณะนั้นแหละของเราก็พยายามที่จะเรียนแบบท่านเนี่ยนะทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็จะพยายามที่จะเจริญในลักษณะนั้นเจริญกรรมสศกตามากๆ ก, ก, การเจริญกรรมสศกตามากๆจะทำให้กุศลศีลเราดีขึ้นเมื่อกุศลศีลดีขึ้นก็จะเป็นบาตแห่งสมถะและวิปัสสนาต่อไป เมื่อวานนี้กล่าวถึงเรื่องของการละอาสวะอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นต้องอดทนนะถ้าอดทนไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละอาสวะได้เพราะว่าอาสวะกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะนั้นเมื่อบุคคลไม่อดทนอาสวะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้น ทนี้ก็มากล่าวถึงการละอาสวะข้อต่อไปว่าอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการเว้นเว้นรอบเนี่ยนะอันนี้เป็นสังวรข้อไหนในสังวร5ศีลสังวรนะผู้ที่สา ม, มารถรู้หลบรู้ลีกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นศีลสังวรนะว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น ถามว่าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, รรนัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเห็นไหมตรงไหนเทว่มีช้างดุเวนมาดุร้ายโคดุร้ายสุนัขดุร้ายงูหลักตอสถานที่มีน้ำลหลุมเหวบ่อน้ําคร่ำบ่อโซโครกและพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นสถาน ท, ท, ท, ที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ที่ไม่ควรเที่ยวไป และมิชชัวที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสีย น, นะก็คือแม้แต่เพื่อนเนี่ยนะเพื่อนเอาบัณฑิตเกณฑ์ของบัณฑิตเป็นประมาณว่าบัณฑิตเขาวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นอย่างไร น, นะว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นพานถ้าในหมู่บัณฑิตวินิจฉัยว่าคนนี้เป็นพานเว้นได้เลย เพราะฉะนั้นเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสะวะและความ ร, าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่อาสะวะและความ ร, าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกูจทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ละได้ด้วยการเว้นเนีย่ยนะถ้าหากว่าเราไม่เว้นนะสถานที่ทั้งหลายมีที่ช้างดุมาดุถือที่ที่มีอันตรายเนี่ยนะ ก็ไม่ชื่อว่าเป็นความฉลาดอะไรของเราใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสถานที่บางแห่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องศีลยังรักษาไม่ได้เลยจํากล่าวไปยายถึงสมถาวิปัสนาเพราะว่าศีล น, นี้เป็นเป็นเหมือนกับแผ่นดินในการเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วก็สถานที่ทั้งหลายที่ที่เราจะไปเนี่ยนะก็พยายามพิจารณาถึงประโยชน์บางท่านก็อาศัยหลักอันนี้นะในการช่วยเหลือประคอง ในการเจริญกุศลธรรมถ้าไม่อาศัยหลักอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเรื่อยคิดอยากไปที่ไหนก็ไปก็บอกว่าภิกษุบางรูปมีใจเอาวางอ่ากระว่ามีใจเอาไว้ที่เท้าเนี่ยนะเป็นไปตามอำนาจของเท้าจากกุติสู่กุติจากวัดสู่วัดงเงี้ยจากสังขารามสู่สังขารามจากชนบทนี้ไปชนบทโน้นจากที่นี่ไปที่โน้นไปเรื่อยอ่าที่ไปเนี่ยนะอ่าประโยชน์ของการไปก็มีอยู่ ก็นนะคือถ้าการไปก็ทําให้ไม่ติดที่ถ้าอยู่กับที่นานสะสมของมากคาว่างไงไปเลยไปไม่มีที่จอดอีกก่อนไม่ได้ความรู้อะไรสักอย่าง ก, ก็เสียหายมาอยู่นานก็เสียไปมากก็เสียก็หาหามัตตันยุตตาให้ได้แล้วกันหาความพอดีให้พบอันนั้นเครื่องเกี่ยวกับการเว้นเนี่ยมีมีความสําคัญมากเลยนะในในสถานที่ที่ที่เราจะต้องไปเนี่ย ตรงนี้การพิจารณาในลักษณะนี้ก็คือศาถกะสัมปัญญะนั่นเองเห็นไหว่าเป็นที่ที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็อาศัยสูตรนี้เนี่ยนะถ้าเราสามารถทำความเข้าใจหรือจำบทความตรงนี้ได้ก็ทำให้เรารู้แล้วว่าที่ตรงไหนที่เราควรไปที่ตรงไหนที่เราไม่ควรไปเพื่อนเช่นไรที่เราควรครบเพื่อนเช่นไรที่เราไม่ไม่ควรครบเนี่ยนะ นี่ะดูในอัตถกถาหน่อยหนึ่งนะนก็บอกว่าข้อความในปปันจสุทเนอัตถกถามาชัชฌมนิกายมูลปันนาดกล่าวว่าภิกษุไม่พึงยืนอยู่ในที่ใกล้ช้างตัวดุร้ายด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะดังนี้นะอย่าไปคิดว่าเจ๋งนะไปยืนอยูย่ใกล้ช้างลาบากเพราะว่าความตาย ทั้งความทุกข์ปางตายซึ่งมีช้างนั้นเป็นเหตุมีได้ว่า ง, งั้นเกิดช้างเหยียบเข้าเขามีคนคนหนึ่งนะมีคันแล้วก็บอกว่าให้ใครที่รอดท้องช้างเนี่ยนับว่าเป็นสิริมงคลนะนะก็ไปลอดท้องช้างเขาหมาเจ้ากรรมตัวหนึ่งมากัดเท้าช้างช้างก็ลเลยเหยียบเนี่ยนะเคราะหนักกะเกาเอกตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ว่าไปไปรอดท้องช้างอ่ะนะการสะดอกเครานะห์ะใน มาบไปกัดเท้าช้างช้างก็ตกใจเข้าเหยียบตายเลยเนะเพราะฉะนั้นไอการเข้าไปใกล้ในที่ที่บางแห้งนะแม้กระทั่งชีวิตนี้ก็อาจจะรักษาไม่อยู่เพราะฉะนั้นพิกษุพิจารณาโดยอบายคือโดยถูกทางอย่างนี้แล้วย่อมเวน้นคือถอยหนีช้างตัวดุร้ายถ้ามันเหยียบขาหักพิการเป็นต้นนี่จะไปทําอะไรได้นะบินทบาทก็ไม่ไว้แล้วแยและะ้วคันนี้เพราะฉะนั้นในสถานที่ที่ครุขระ เป็นที่มีน้ํามีตอเป็นต้นนี้ก็ไม่ควรไปที่ตะลิงชันเนี่ยนะที่บ่อไม่ใช่เขตตะลิงชันนะหมายถึงตะลิ่งชันที่มันจะทําให้ตกเห็นไหมหรือว่าที่ที่สกปรกเนีย่ยนะมีบ่อน้ําครลำเป็นต้นไปแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยนะเท้าเนี่ยแพ้อย่างอย่างสถานที่ที่มันมันสกปรกเลอะเทอะเนี่ยพระบางองค์ท่านไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหม เมื่อไม่ใส่รองเท้าเนี่ยไปมันก็ติดเชื้อถ้าติดเชื้อเนี่ยกว่าจะรักษาหายก็ยากเนไหมนะบางทีก็เสียเวลาไม่ได้บินทบาทตั้งนานถ้าอยู่กับเพื่อนสหธรรมเอกเพื่อนสะพรหมจรีที่มีคุณธรรมก็ค่อยังชั่วหน่อยได้บินทบาทช่วยกันเลี้ยงทําไมงั้นก็ลําบากเหมือนกันถ้าหาว่าสุขภาพไม่ดีบินทบาทไม่ได้ก็ใช้แบบชีวิตแบบอเนสนาแล้วก็เริ่มผิดศีลผิดธรรมอย่างอื่นไปเรื่อยทำชีวิตในการประพฤติพรหมจรย์ก็จะยากขึ้น ก็ต้องรู้จักหลบหลีกสถานที่ที่ควรหลบหลีกนะหรือว่าสถานที่เหล่านั้นแม้ทั้งสองเป็นแห่งแห่งเป็นสถานชั่วร้ายคล้ายอมนุษย์สถานที่เหล่านั้นก็ควรเว้นนะคือที่ที่เขาทิ้งข้าวของเรื่ยราดไม่สะอาดสกปรกเลอะเทอะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ควรไปเนี่ยนะก็อาสนะอันไม่สมควรชื่อว่าอนาสนะคือคือที่ที่ไม่ใช่ที่จะอาศัยเจริญภาวนาได้ บทว่าอาาเสนนี้โดยเนื้อความอาสนานั้นเพิงทราบ ว, ว่าได้แก่อาสนะซ่อนอยู่ในที่ลับมีท่าผสมภาระที่ไม่แน่นอนก็เที่ยวไปในอันที่ไม่สมควรชื่อว่าอาโคโจรว่างง้นในที่ที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยนะอย่างพระเนี่ยไปร้านสุราร้านหญิงแพทย์สยาเป็นต้นก็ไม่ควรไปว่าไ ง, งเป็นที่ที่เป็นอัโคโจรปาประมิตรย่งเงี้มิตรปฏิรูปมิตรชั่วคือคนทุศีล คนที่ทุศีนก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง <c oughs> ถ้าหากว่าไม่มีการงดเว้นในสถานที่ที่เหล่านั้นเนี่ยนะกา ม, มาสะวะก็จะเกิดขึ้นอกา ม, มาสะวะเกิดขึ้นอย่างไรนะไปถูกชังเหยียบไปอยากหายใช่ไหมโลภะที่เกิดขึ้นอยากหายเรียกว่ากา ม, มาสะวะเกิดขึ้นหรือภาวาสะวะแก่ ผู้ที่ปรารถนาพบว่าทุกเช่นนี้ของเราไม่มีในสัมปติภพเนี่ยนะในคือในสุคติพบปุ้ยนะไปถูกช้างเหยียบเป็นต้นมาไปเหยียบต่อเหยียบน้ําเป็นต้นมาเนี่ยโอ้ชาติหน้านี่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะยังจําได้เลยครั้งหนึ่งไปเดินมันมันลงรถประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแหละทีนี้บวกรถคันไหนมีใครให้ไปสักคนนเลยเดินเอาก็ได้เย นึกในใจนะเอเดินเอาก็ได้ ก, ก็เดินอูดเดินไปหลายกิโลมกันกาลังมันได้อย่างหนึ่งนะที่เดินนั่งบอกว่าเออเนี่ยบุญน้อยเป็นอย่างนี้แหละมาตั้งอันนี้ต่อไปเนี่ยอะไรเป็นบุญก็จะรีบทําให้มันมากขึ้นเหมืนกะันนะนึกถึงจะทําบุญอนะนะตอนนั้นการมาสะวะเกิดหรือเปล่าว่าเราจะได้ไม่ทุกข์อย่างนี้อีกนะแสดงว่าการมาสะวะเกิดขึ้นนะแต่ก็เอ ตั้งเจตนาที่ว่าจะทำกุศลให้มากขึ้นเนี่ยเป็นการตั้งจิตไว้ชอบแล้วละ่ะแต่ถ้าน้อมผลของกุศลไปเพื่อการมาคุณห้าไม่ควรเนี่ยนะเพราะอะไรพการมาคุณห้าก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อีกนั่นแหละนะปรารถนามาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาเป็นมนุษย์เอาเป็นมนุษย์มันก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องอย่างนี้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาอย่างนี้ใช่ไหมปรารถนาพบ ก็เป็นภาวาสาวะการยึดถือว่าช้างจะเหยียบเรามาจะเหยียบเราก็เป็นที่าสาวะสำคัญว่าเป็นเป็นเราจริงจริงเนี่ยนะกลัวช้างจะเหยียบเป็นต้นก็เป็นทิธิอาสะวะที่สัมปยุทธด้วยอากุศลธรรมทุกอย่างชื่อว่าอาวิชชาสภาวะับ ข้อว่าอิเมวุจันติเปรวัฒนาประหาตัพาความว่าอาสะวะมีมากอย่างเพราะแยกอาสะวะเหล่านี้ออกเป็นอย่างละสี่อย่างละสี่ด้วยอำนาจอันตรายมีช้างเป็นต้นแต่ละอย่างเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ว่าช้างช้างเอาอาสะวะสี่ไปไปคูณเข้ามากเอาอาสะวะสี่โคเอาอาสะวะสี่ท่านโอ้โหแต่ละบทแต่ละบทเอาอาสะวะสี่ไปคูนนี่แหละเพราะนัยยะตรงนี้ท่านให้ใน ให้แนวความคิดไว้ว่าท่านให้ตัวอย่างนะเอาช้างมาตั้งแล้วเอาอาสวะสีใส่ลงไป เ, เป็นลักษณะนี้นะทีนี้ก็ต้องหมั่นไปตรึกว่าถ้าม้าเนี่ยอาสวะสีจะอาศายัยม้าจะเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะปาปมิตรอาสวะสีจะเกิดได้อย่างไรก็พวกนี้เป็นตัวก็เอาไปคูณไปหมั่นไปตรึกท่านจะให้ในในยะแห่งการตรึกเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าอธิบายหมดเนี่ยท่านกลัวครุคัมภีเขาว่างั้นเยอะจัดอะหนักมากเขาว่างั้น ในขนาดนี้เราก็โหเห็นแล้วเอาหนังสือเอาพระไตรปิฎกมากองกองโอ้โหเออตาลายไปหมดเลยอ่านหวาดอ่านไวหรือเปล่าเนาะเหมือนกันท่านก็กลัวจะเยอะอนะแต่ขนาดท่านกลัวเยอะนะก็ยังเยอะเลยนะเยอะสําหรับเราอะนะเพราะฉะนั้นพโยคาวาจรควรละเวน้นกล่าวคือสีลสังบอนอย่าลืมนะศีลสังบอมีกี่อย่างนะสี่นีกี่อย่างสี่มีสี่อย่างนะ หมายถึงจจตุปริสุทิสีนแต่ว่าตัวสีนจริงๆได้แก่ตัวเจตนาสีนเจตสิกสีนสังวรสีนอวีติกมะสีนพันสีนเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลใหม่ๆนี่เราดูเหมือนต้องรักษาสีนนะแต่นานๆสีนจะรักษาเราเองจะบอกเลยนะสีนจะบอกว่านี่ควรไปนะนี่ไม่ควรไปนะนี่ไปแล้วดีนี่ไม่ไปนี่ไปแล้วเป็นอบัตยางนั้นยางนั้นนะ บางองค์ก็อาศาัยวินัยเนี่ยช่วยเขาไว้ก็เลยบวชได้ยาวหน่อยบางอันทีนี้กล่าวถึงการละอาสะวะข้อต่อไปเลยเนาะว่าอาสะวะที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาอันนี้เป็นสังวรไหนในสังวรห้าเป็นวิริยะสังวรนะอาสะวะที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไร คือพิกูจน์ในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับการมวิตกที่เกิดขึ้น อ, อากุศลวิตกเกิดขึ้นไม่รับช่วงต่อเนี่ยนะมันเกิดขึ้นวิถีเดียวพอวิถีที่สองไม่ให้เกิดละพอละเลิกกันแนงะั้นไม่รับละบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยนะพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น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 ด้วยอาการอย่างนี้พิกูุนทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบันเทเนี่ยก็คือบันเทาไม่ให้ใจเป็นไปกับบาปไม่ให้เป็นไปกับอกุศลถ้าใช้คำว่ากามวิตกนี้จิตกี่ดวงนะวิตกอันนี้เกิดร่วมกับจิตกี่ดวงกามวิตกกิร่วมกับโลภะจิตส่อแปดเนาะกามวิตกก็ได้แก่วิตกเจตสิกที่เกิดร่วมกับ โลภะมูลจิตแปดถ้าพยาบาทวิตกขละนี่แกวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะสองวิหิงสาวิตกก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะสองบาปอาคุโซลธรรมเท่าไหร่อันนี้สิบสองเจตสิกที่ประกอบยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะคือทั้งผัสสะทั้งเวทนาเนี่ยนับว่าบาปหมดเลยเจตนาก็ยังบาปเลยนะถ้าหากว่า อัญญาสมนาเกิดร่วมกับอกุศลสิ่งเหล่านั้นนับเป็นอกุศลไปด้วยนับเป็นบาปไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามนะถ้าหากว่าคนขี้เกียจก็ปล่อยให้ใจเป็นไปกับบาปปล่อยให้ใจเป็นไปกับอกุศลนคนที่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเรียกว่าคนเกียดคร้านนี่นะมาณนี้เป็นบ่อยเลยวิธีที่กล่าวถึงการละ บาปและอกุศล น, นั้นก็ท่านกล่าวว่าพระโยคาวจรเห็นโทษในการมวิตกโดยแยบคายโดยนัยเป็นต้นว่านะท่านให้ในนะว่าแยบคายยังไงจึงจะละบาปเหล่านั้นได้ก็บอกว่าวิตกนี้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุนี้เนี่ยนะก็คือชั้นต้นเลยนะบอกอกุศลคําว่าอากุศลคือไม่ฉลาดเนี่ยนะอกุศลคือเป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อกุศล อกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เป็นต้นวิตกนี้มีโทษแม้เพราะเหตุนี้และวิตกนั้นแลย่อมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างดังนี้นะก้นี้คือให้วิธีการว่าเมื่ออกุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็ให้ใส่ใจว่าเออนี้เป็นอกุศลนะนะถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องอกุศลอย่างดีมาแล้วพอใส่ใจคําว่าอากุศลภาพก็จะทําให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภยัยละ หรือว่านี้มีโทษนะโทษเขาเป็นยังไงโทษทั้งพบนี้ด้วยโทษทั้งพบหน้าด้วยเนี่ยนะแล้วก็เป็นโทษต่อกุศลธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกด้วยและอกุศล น, นั้นถ้าเกิดขึ้นเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยนะก็รีบกําจัดความคิดที่เป็นอกุศลอ น, นันไปยับยั้ง ไว้ไม่ได้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นได้แก่บางเกิดขึ้นแล้วในอารมณ์นั้นนั้นอธิบายว่ายกจิตขึ้นเสียแล้วให้กามวิตกหยุดอยู่ไม่ได้หรือไม่ให้กามวิตกอยู่ภายใต้ได้าถามว่าพิกษุนนั้นยับยั้งไว้ไม่ได้จะทําอย่างไรอา้าวถ้ามันเกิดแล้วอ่ะมันเกิดละไม่ได้อ่ะมันเตื้ออยู่นั่นแหละจิตชนิดนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ๊ะบอกว่าอย่าคิดมันยังคิดอีกจะทําไงคะนี้ก็บอกว่า ตอว่าย่อมละคือทิ้งวิตตกนั้นเสียอา้าวถามว่าจะละทิ้งเหมือนเอาเหมือนคนเอาตะ ก, กา้าตักขยะอยากเยื่อไปทิ้งหรือเปล่าวางนั้นเฮ้ยเขาบอกว่าอย่าไปทับมันนะเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งเหมือนทิ้งขยะใช่ไหมเขาบอกหาไม่ได้โน <laughs> no, วางนั้นไม่ใช่อย่างงั้น อ, อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพี่สุย่อมบันเทาคือถอนได้แก่แทงหมายความว่านําออกไปซึ่งการมวิตตกนั้น ท่านใช้คำว่าแทงอีกนะถามว่าเอาแทงเหมือนบุคคลเอาปลาตักแทงโครปริพัฒ์หรือเราเคยเห็นปลาตักก็คือคมๆอย่างเงี้ยมันจะมีหัวหัวตะปูหน่อยหนึ่งเอาไว้ทิ่มวัวเอาไปแทงอย่างนั้นเลยใช่ไหมกระบอกหาหาใช่เช่นนั้นไม่หมสํานวนนี่วิจิตหน้าดูเลยนะก็คือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอโดยที่แท้แล้วจะทํากามวิตกนั้นให้ย่อยับไปคือทํากามวิตกนั้นให้ปราศจากไป ได้แก่ทํากาลมวิตกนั้นให้เป็นไปโดยที่มันไม่เหลืออยู่ภายในของพิกษุนั้นโดยที่สุดแม้เพียงในภวังขจิตก็ไม่มีเ <Okay. S 1> นี่ยนกะก็บอกไม่ให้อกุศละจิตเนี่ยเกิดขึ้นแม้แต่ในผวังเลยว่างนั้นที่จริงอะผวังนี่มันก็ชาติวิบากไปเ ล, ลื่ยนะแต่ท่านก็บอกว่าภวังใดที่เป็นอุปนิสัยให้เกิดอกุสนผวังนั้นก็นับว่าเป็นอกุศนไปด้วยทําไมเป็นอย่างนั้นอะ อ้าวก็ทางตาเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ตามองเห็นและจิตเป็นบาปเนี่ยก็ชื่อว่าไม่สำรวมตาถ้าหากว่าพวังดวงใดที่เป็นอุปนิสัย น, นับว่าเป็นปัจจัยให้อกุโสรจิตเกิดก็ชื่อว่าไม่สำรวมภวังด้วยถือว่าไม่สำรวมใจถามว่าพิสุทธ์จะทำวิตกนั้นให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเออที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงวังนั้นช่วยบอกวิธีหน่อย ท่านบอกว่าย่อมยังการมวิตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมให้ถึงความไม่มีทีละน้อยทีละน้อยนะเขาค่อยกัดไอ้ค่อยค่อ ย, อ ย, อยเอาออกทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้อธิบายว่าย่อมทําโดยประการที่วิตกอันเธอข่มไว้ได้อย่างดีด้วยวิขำบรรณปะหารอาเอสมถะมากันแล้วกันเหงั้นกันถามว่าถ้ากามวิตกสมถะที่จะเป็นปฏิปักษก็คือ อสุภาสัญญานะสุภากรรมฐานถ้าพยาบาทวิตกปฏิปักิเขาคือเมตตาวิหิงสาวิตกเึกเพื่อจะเบียดเบียนต้องเจริญการุนานะเพราะฉะนั้นก็เจริญอสุภาษเจริญเมตตาเจริญการุนานั่นและจึงจะเชื่อว่าเป็นการเริ่มกำจัดจิตที่เป็นบาปวิตกที่เป็นบาปวิตกที่เป็นอกุศล น, นั้นอ่าคัมากาม กามวิตะโกนี้วิตกที่ปฏิสังยุต์ด้วยกามคือความดเ m ็จผิดชื่อว่ากามวิตกเนี่ยนะก็คือดเรฤจที่ใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศล น, นะวิธีในการกำจัดอกุศลเนี่ยน ะ, ะยังชอบสูตรที่ผู้การเอามาพูดบ่อยๆคือวิตะกะสันถานสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงวิธีการกำจัดบาปกาจัดอกุศล ข้อความในมันชฌิมนิกายมูลปณาน์เหมือนกันนะ น, นี้เล่ม18เล่มที่อ่านเมื่อกี้เล่ม17เจตรงนี้เนี่ยในเล่ม17ท่านไม่ค่อยอธิบายมากเพราะอะไรเพราะว่าในเล่ม18อธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิธีการละวิตกมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายทุกแห่งทุกคำไปหมดเลยนะภาคพิสดารเนี่ยโอ้โหคําที์เนี่ยหนักแน่ในวิตกะสันทานสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณานกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ควรมณสิการถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันสมควรนะภิกษุผู้ประกอบอธิจิตนะท่านใช้คำว่าประกอบอธิจิตอธิจิตตะมะอมนุยุตเตนะความว่าจิตที่เกิดขึ้นด้วยกุศลกรรมบท10อย่างชื่อว่าเป็นจิตเท่านั้นเนี่ยนะคือจิตในที่นี้ประสงค์เอากุศลอย่างเดียวนี่นะอากุศลละไว้ วิบากก็ไม่พูดถึงกริยาก็ไม่เอาเอาเฉพาะจิตชาติกุศลอย่างเดียวจิตที่เป็นไปกับกุศลกรรมบท10เรียกว่าจิตจิตในสมาบัติ8มีวิปัสสนาเป็นบาทเป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตนั้นนี่นะจิตที่ได้สมาบัติ8ก็คือพวกมหคัตจิตทั้งหลายที่เป็นบาทให้แก่การเจริญวิปัสสนาเรียกว่าอธิจิตหรือจิตยิ่งกว่าจิตที่เป็นไปกับกุศลกรรมบท10 เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกจิตนั้นว่าอธิจิตก็คือจิตที่อบรมในการเจริญสมถะเพื่อเป็นปัจจัยแก่วิปั ส, สนาบทว่าอนุยุตเตนะได้แก่หมันประกอบอธิจิตนั้นอธิบายว่าประกอบแล้วขวนขวายแล้วในอธิจิตในข้อนั้นภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตในเวลาปุเรพัทปุเรแปลว่าก่อนนะ เช้ามาก็ไปบินทบาตเนี่ยนะกลับจากบินทบาทในเวลาภายหลังพัดคือสมัยก่อนนี่เขาจะมีโรงฉันอยู่กลางหมู่บ้านนะพระจะมาฉันในกลางหมู่บ้านหรือไปฉันในบ้านโยมบ้านใดบ้านหนึ่งแต่ว่ายุคหลังมาจะามีวัดอยู่ทั่วไปก็ไปฉันในวัดกันพอกลับจากบินทบาทในเวลาหลังอาหารแล้วถือเอาผ้านิสสีธนะผ้านิสสีธนะก็คือผ้าปูนั่ง ออกไปด้วยคิดว่าเราจะทารรมส ม, มณะธรรมที่โคนต้นไม้น้นถือภาธนิติธนะอันหนึ่งไปหาที่เจริญกรรมฐานหรือที่ภัยสนหรือว่าที่เชิงเขาหรือว่าที่เงื้อมเขาดังนี้แล้วก็นำหญ้าใบไม้ออกจากที่สำหรับประกอบอธิจิตทันแล้วเธอก็ล้างมือและเท้ามานั่งคูบันลังถือเอามูลกรรมฐาน ประกอบเนื่องๆอยู่ซึ่งอัฐิจิตนั่นแหละนะนะประกอบเนืองๆก็คื อ, อตัวเองนี่ถนัดกรรมฐานไหนก็เจริญกรรมฐานนั้นไปตามเวลาอันสมควรคำว่าเงินตามสมัยอันสมควรทีนี้คําถามว่าอาถามว่ากรรมฐานนั้นพโยคีไม่ได้ทอดทิ้งแม้สักครู่หนึ่งคือมนสิการติดต่อกันไปไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่าตามการเวลาอันสมควร อา้าวกรรมฐานมันต้องเจริญให้เนื่องกันไปเลยใช่ไหมไปให้ให้จิตเป็นกุศลเนี่ยได้สืบเนื่องกันยาวเลยเนาะเหมือนกับคนเนี่ยโกรธกรุ่นได้ทั้งวันอะไอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่โกรธนะอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นมหากุศลเนี่ยเกิดยาวสืบเนื่องไปตอบว่าเพราะพระบาลีจําแนกอารมณ์กรรมฐานไว้38ประการอ่าสาสิบก็คือกรรมฐาน40นั่นแหละในกรรมฐานเหล่านั้นภิกษุ ผู้นั่งปฏิบัติกรรมฐานจำเดิมแต่อุปกิากรอะไรๆยังไม่ได้เกิดขึ้นกิจที่ต้องมานัาิกานด้วยนิมิตอื่นยังไม่ได้มีก่อนคือก็ใส่ใจกรรมฐานนะเจริญกรรมฐานเช่นเรียนเรื่องเมตตามาแล้วใครไปเจริญบ้างนะเจริญยังไงก่อนเมตตาลืมลำดับแล้วมั้งเจริญยังไงที่แรกก่อนอ่าเจริญให้ตัวเองก่อนโอ้เก๋งมากแสดงว่าเอาไปปฏิบัติอยู่บ้างอ่าสองต่อไปเจริญให้ใครอีกเมื่อเจริญให้ตัวเองนะ ต่อไปเจริญให้คนที่เราเคารพเนี่ยนะอะหลังจากนั้นก็เจริญให้แก่ใครให้แก่เพื่อนนะให้คนที่เราชอบพอกันเขาบอกห้ามเจริญเจาะจงให้แก่ใครนะฝ่ายต่างเพศเนี่ยนะไม่ได้ว่าใช้คําว่าชอบพอกันเลยชอบใครเลยเจริญให้คนนั้นเลยเดี๋ยวรบฝาครั้งคืนเลยนะต่อไปเจริญให้เพื่อนที่ชอบพอกันเสร็จเจริญให้ใครอีก นะให้คนธรรมดาทั่วไปเสร็จแล้วเจริญให้ใครต่อสุดท้ายให้สัตให้คนที่เราไม่ค่อยชอบที่หน้าคนนั้นน่ะนั่นแหละคนใดก็ได้ที่เราไม่ชอบอ่ะจะก็เจริญให้เขาอ่ะพอเจริญเมื่อไหร่โอ้โหโสะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอุปกิเลสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจัดการยังไงใช่ในวิสุทธิมรรคที่เราเรียนมาก็มีอุบายในการวิธีนับตั้งแต่พิจารณาโทษของอกุศลโดยการนึกถึงพสูตรต่าง นะนึกถึงเรื่องกรรมเป็นต้นเพื่อที่จะได้เจริญเมตตาต่อไปได้นะจิตจะได้ไม่ชะ ง, งักแต่ทีนี้อันนี้อีกนัยยะหนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับวิสุทธิมรรคเนี่ยนะที่พระพุทธพจน์กล่าวถึงวิธีในการกําจัดบาปอากุศลเมื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเจริญกรรมฐานนี่ก็คือแกอารมณ์กรรมฐานนะเนาะมาเรียนแกอารมณ์กรรมฐานว่าพระพุทธเจ้าแกอารมณ์กรรมฐานยังไง ที่จริงแก้ใจที่เป็นบาปนั่นแหละกรรมฐานที่ดีก็พอกพูนไปแต่จิตมันเป็นบาปเกิดขึ้นในระหว่างเจริญกรรมฐานทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นว่าแต่เมื่อใดกิเลสเกิดขึ้นเธอก็พึงถือเอานิมิตทั้งหลายนํากิเลสที่เกิดขึ้นในจิตออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเหตุนี้จึงตรัสไว้ยอย่างนี้เนีย่ยนะอาศัยเหตุนี้พระองค์ก็เลยทรงแสดงอุบายในการกําจัดอกุศลวิตก ดูการพิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนสิการนิมิตใ ด, ดอยู่อาศัยนิมิตธรวมานิมิตคือพวกปัจจัยนั่นเองนะหมายถึงเหตุวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเนีย่ยนะ คือขณะที่กําลังเจริญกุศลเจริญกรรมฐานเจริญเมตตาอยู่เนี่ยนะเสร็จแล้วโลภะเกิดขึ้นเนีย่ยนะบาปอากุศลหรือวิตกที่ที่ประกอบด้วยฉันทะเมื่อกล่าวถึงบาปอากุศลนี่เราต้องรู้จักตัวเขตขอบเขตของอกุศลนั้นและอารมณ์ของอกุศลนั้นนะให้รู้จักสองอย่างว่า ง, งั้นเอถอะท่าที่เราเรียนมาก็คือให้แยกสภาพจิต ับอารมณ์ให้ได้แยกสองอย่างเนี่ยนะเพื่อให้รู้อะไรเพื่อให้รู้ว่าถ้าจิตแบบนี้รับอารมณ์แบบนี้เนี่ยเป็นจิตชนิดใดอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อย่างไรเห็นะก็จะได้แยกสองอย่างนี้ให้ออกถ้าแยกสองอย่างนี้ไม่ออกนะโหแย่แน่เจริญกุศลไม่รู้จะเจริญยังไงน ะ, ะถ้าอารมณ์นั้นเป็นสุภาณิมิต ร, รู้เลยว่าจิตเป็นอะไ ร, รจิตเป็นโลภะแปด ถ้าอารมณ์นั้นเป็นปฏิฆานิมิต ร, รู้ว่าอะไรโทรสะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอุเบกขานิมิตจิตเป็นโมหะประเภทอุทะจะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ า, าสมมตินะจะคิดอย่างนี้นะเมื่อ น, นึกถึงหนังสือปั๊บเนี่ยนะหนังสือหนึ่งเล่มเลยเนี่ยสา ม, มารถรู้จิตได้ไหมวิธีถามนะเราไม่ต้องไปถามว่าจิตเข้าเป็นยังไงหรอกถามไปที่อารมณ์เลยว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงกับอารมณ์นี้ เห็นแล้วถ oh, ้าท oh, ุกคนบอกโอ้โหดีจ oh, ังอะไรเนี oh, ่ยนะชมส่วนใหญ่เนี่ยนะด้วยด้วยความจริงใจเนี่ยอันนั้นหมายถึงจิตขณะนั้นเป็นโลภะนะนะทีนี้ค่อยมาหารายละเอียดว่าโลภะชนิดไหนอีกครั้งหนึ่งอ่านะก็ว่ามองอารมณ์ก็ยังถึงจิตได้อ่าทีนี้ต่อไปถ้าเขาบอกโอ้โหนะถูกตําหนินั่นแหละนั่นแหละโอไม่งามเลยใครเอามาจากไหนเนี่ยนะแปลว่าเช่นยกตัวอย่างเนี่ยนะถูกอะไรมันกัด พลนไปหมดเลยโทสะเกิดอันนี้รู้เลยว่าคือมองแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกใจเนี่ยนะอันนั้นแสดงว่าจิตเป็นโทสะถ้าเห็นธรรมดามไม่ให่หนังสือเราอ่ะนะไม่สนใจเลยส่วนใหญ่ก็เป็นนะโมหะเพราะไม่ได้พิจารณาเข้าใจอะไรสักอย่างถ้าโลภะก็หมายถึงวิตกที่ประกอบด้วยฉันทะได้แก่โลภะ8ที่ประกอบด้วยโทสะก็หมายถึงโทสะสองที่ประกอบด้วยโมหะหมายถึง อกุศลจิตสิประกอบด้วยโมหะหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าอุทจฉาสัมปยุศหรือวิจิกิจฉาสัมปยุศนั้นเป็นโมหะมูลจิตแต่ว่าโมหะจริงๆแล้วเกิดร่วมกับจิตทั้ง12ดวงเนีย่ยนะถ้าหากว่ากําลังเจริญกรรมฐานอยู่เนี่ยนะอกุศลจิตสิโผล่วับขึ้นมาเลยขณะนั้นเนี่ยแก้ปัญหานั้นอย่างไรเนีย่ยนะรู้แล้วว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วในกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานเนี่ยนะ ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บเนี่ยนะเท่ากับเปลี่ยนความคิดด้วยนะเพราะว่าจิตหนึ่งอย่างรู้อารมณ์หนึ่งอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะกาลังเจริญพู้ตคุณอยู่ดีๆนะคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแทรกเข้ามาในระหว่างนั้นนั่นแหละคนนั้นอะ่ะเป็นใครเนี่ยนะบอกได้เลยว่าจิตเราเป็นอะไรเห็นไหมอ่าถ้าคนที่ชอบพอกันนะส่วนใหญ่เป็นโลภะถ้าคนที่เรารังเกียจโผลมาขณะนั้นนะ่แสดงว่าจิตเราเป็นโทสะ หรือคนธรรมดาที่ไหนก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยเปื่อยนั้นส่วนใหญ่เป็นโมหะเนี่ยนะมันก็สา ม, มารถที่ว่าจิต อ, อ, อารมณ์อื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโผล่เข้ามาเนี่ยแสดงว่าจิตเราเป็นอกุศลแล้วถ้าเป็นคนที่เราชอบพอกันเนี่ยนะเรารู้เลยว่าโลภะดวงใดเนี่ยนะก็มามาวิจัยที่ว่าเราสำคัญกับอารมณ์นั้นอย่างไรก็มาวินิจฉัยความคิดอันนั้นได้ ทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วแก้อย่างไงพระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมนานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นเห็นไหมอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่เห็นไหมวิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เ พ, ะะเพราะละวิตกเพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้ก็คือถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นอกุศลให้ไปเลือกคิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลแทนว่า ง, งจิตย่อมตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นเนี่ยนะถ้าเราสามารถพลิกอารมณ์ได้ไปใส่ใจในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ยาวจิตก็สามารถเป็นธรรมเอกผุดขึ้นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือพวก ชาญจิตเป็นต้นนะถ้ามานศิการในอารมณ์นั้นได้ <S 2> <S 2> ยาวได้นานเนี่ยนะจนสามารถที่จะข่มนิวรได้นะชาณจิตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็บอกว่าวิธีอย่างนี้เหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิมอันใหญ่ออกแม้ฉันใดดูกวามพิสูทั้งหลายพิสูจก็ฉันนั้นเมื่อ อาศัยนิมิตตายแล้วมานสิการนิมิตใ ด, ดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนพิสุทั้งหลายพิกสุนั้นควรมนานสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นนะเปลี่ยนความคิดซะนะแค่เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนอารมณ์เท่ากับเปลี่ยนความคิดด้วยนะ ในสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราอยากยิ้มได้ไหมอยากยิ้มเนี่ยนะอยู่ๆอยากยิ้มทําไงคิดหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งสมณัตอยากเสียใจอยากร้องไห้ทําไงคิดหาอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตนะนะถ้าอยากเฉยเนี่ยนะพยายามนึกถึงที่ไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบหรือที่ธรรมดาธรรมดาคิดเมื่อไหรก็จืดชื่อเต็มทีเนี่ยนะจิตก็จะเฉยเหมือนกันอันเวทนาเนี่ยนะถ้าเลือกอารมณ์ได้เลือกเวทนาได้ ถ้าสามารถแยกอารมณ์ได้สามารถแยกเจริญอินทรีย์ได้ะนะว่ารู้ว่าอารมณ์อันนี้เกื้อกูลต่อสัทธินรียอารมณ์อันนี้เกือกอออนนเก้อกูลต่อวิริยีนีอารมณ์ันนี้เกื้อกูลต่อสติินรีย์สมาธินรียและปัญญีนียใส่ใจอย่างนี้เนี่ยนะอินทรีย์ตัวนี้จะเจริญเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีอยู่สองอย่างนะที่จริงวัตถุวิญญาณอารมณ์ที่จริงวัตถุก็คือเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเท่านั้นแหละ แต่ว่าหลักๆแล้วก็คือสองตัวนั่นแหละคือจิตกับอารมณ์เนี่ยนะถ้าแยกสองอย่างนี้ได้เราก็ฝึกความคิดได้คือคนทุกวันเนี่ยนะส่วนใหญไ่ไม่ไม่ค่อยฝึกความคิดนะฝึกอะไรรู้ไหมฝึกอารมณ์แกต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองคิดยังไงนี่ไม่เคยฝึกสักทีเลยนะ ปล่อไปเรื่อยแต่ว่าจะไปฝึกอารมณ์นะเกี่ยวข้องกับใครจะฝึกคนนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ค่อยฝึกความคิดตัวเองเนีย่ยนะแต่ว่าผู้ที่จเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเขาเลือกความคิดเนีย่ยนะฝึกความคิดถ้าเขาคิดอย่างนี้บ่อยๆกุศลลจิตเกิดคิดอย่างนี้มากๆอกุศลลจิตเกิดเขาสา ม, มารถแยกความคิดได้อ่าถ้าแยกความคิดไม่ได้เมตาก็จเจริญไม่ได้เมตามีอะไรเป็นอารมณ์นะ มีปิยมนาปะใช่ไหมปิยมนาปะคือสัตว์เป็นที่รักที่เจริญใจเป็นอารมณ์เนี่ยนะคิดแล้วต้องเจริญใจนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ของเมตตาถ้าคิดแล้วเสียใจเป็นอารมณ์ของโทสะถ้าคิดแล้วแช่งชักหักกระดูกวิหิงสาวิตกอคุศนทั้งหลายแหละเกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์ท้าอธิบายดีมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการ มนะสิการนิมิตอื่นจากอารมณ์ันนั้นเนี่ยนะหรือที่จริงอารมณ์อันเดียวนั้นน่ยถ้าฉลาดคิดนะก็เป็นกุศลนั่นทันทีเลยนะอาศัยสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์แต่ถ้าหากว่าไม่ฉลาดคิดต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนเนี่ยนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแย่แน่เนี่ยนะนะนะพิกษุนั้นควรมนัสิการนิมิตอื่นอันประกอบด้วยกุศลได้แก่ควรมนัสิกานิมิตอันอาศัยกุศลอื่นโดยเว้นจากอกุศลนิมิตนั้น นะถ้าสุภาพนิมิตเป็นจิตเป็นโลภะปฏิฆานิมิตจิตเป็นโทสะอุเบคานิมิตเป็นโมหะเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะเลือกเลือกอารมณ์ไม่ให้มันจิตอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ฝึกจิตหน้าดูเลยนะเขบอกว่าอธิจิตใช่ไหมการประกอบเรื่องจิตอันนี้เป็นการงานทางความคิดอย่างเดียวนะฝึกคิดถ้าฝึกคิดได้ก็เลือกเกิดได้ นะถ้าฝึกคิดระดับปฐมมชานเนี่ยนะพรมสามชั้นเลือกได้นะฝึกคิดได้ระดับทุติยาชานเนี่ยพรมกี่ชั้นสามชั้นเองเหมือนกันนะแบบจตุ ก, กนายตติยาชานะกี่ชั้น3นามชั้นอีกจตุตชานทั้งสองชั้นนะ่ะอ่ะสัญญาศาสตร์เอาป่ะ <c oughs> อสัญญาศาสตร์กับเวหัผลาถ้าหากว่าฝึกคิดได้จตุตชานด้วยเป็นพระนาคามีด้วยสุดทาวาสก็ไม่ใช่ของยากมาก น, นะนะไม่ไกลเกินฝันอย่านั้นแต่ แต่เหตุอยู่ที่ไหนนะเขบอกว่าจะตีตัวขนาดนั้นก็ต้องมีซับกันหน่อยนะต้องมีซับคือศรัทธาเป็นต้นเนี่ยต้องเพียบพร้อมนั่นแหล ะ, ะข้อว่าชื่อว่านิมิตอื่นคือเมื่อวิตกประกอบด้วยชันท่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายเนะนี่ยนะนื่ถึงใครและโลภะเกิดนะนะเจริญอสุภาษสัญญาชื่อว่านิมิตอื่นเนีย่ยนะก็เพล็กให้ไปเป็นอารมณ์อสุภาษแทน เมื่อวิตกเกิดขึ้นพอใจในสังขารทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นมนสิการถึงความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะสัญญาชื่อว่านิมิตอื่นคือถ้านึกถึงคนที่เราชอบเนี่ยนะด้วยอำนาจโลภเนี่ยต้องพลิกไปเจริณาสุภานะถ้าเป็นพระไม่รีบพลิกเนี่ยอะไรน ะ, นะสามเณรสังคาธิเสธนะเนาะสังคาธิเสธไม่กินพระจะกินใครก็ว่างันน่แหละถ้า ปล่อยให้จิตเป็นบาปหนักๆเข้าเนี่ยนะมันล่วงทางกายกรรมมจีกรรมมาเนี่ยแย่และมถ้าหากว่านึกชอบจีวอบินที่อยู่อาศัยเป็นต้นก็ให้เจริญอนิจจสัญญาขึ้นเนี่ยนะโดยการเนี่ยเปลี่ยนนิมิตเมื่อวิตกประกอบด้วยโทสะในสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นเจริญเมตตาชื่อวันนิมิตอื่นเมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมานัสการถึงธาต ชื่อว่านิมิตอื่นคือโทสะนึกไม่ชอบใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะนึกไม่ชอบบ้านไม่ชอบช่องไม่ชอบเสื้อผ้าเป็นต้นเนี่ยนะให้เจริญมนสิการโดยความเป็นธาตุในนั้นมีกี่ธาตุไม่ชอบธาตุอะไรไม่ชอบธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟหรือรูปธาตุสัตว์ธาตุหรือไม่ชอบธาตุอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านิมิมนุษการธาตุอื่นเมื่อวิตกประกอบด้วยโมหะเกิดขึ้น ในธรมาาธรมะใดที่สุอาศัยธรรมะห้าอย่างชื่อว่านิมิตอื่นถ้าโมหะเกิดขึ้นนะวิธีแก้โมหะมีห้าอย่าง น, นะถ้าใครอยากฉลาดนะคอยฟังดูห้าอย่างอะไรบ้างแต่ เ, เอาไว้ก่อนนะมาเรื่องเรียนเรื่องโลภะกันเมื่อ <c oughs> โลภะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายโดยในมีอธิว่า น, นะถ้าโลภะเกิดเป็นยังไง ร, รู้ไหมกระบอกมือหรือเท้าของผู้นี้งอมดังนี้เป็นต้น จำได้อะเพื่อนองหนึ่งเขาไปเจริญใเกสาโลมานะขาทันตาตโจเนี่ยนะเขาก็นั่งดูนิ้วเลยนั่งดูนิ้วเขานั่นแหละดูไปดูมาเอ๊ผมอะอาจารย์ผมไม่เห็นมันไปนติกูลอะไรมันงามออกเขาว่า <c oughs> มือตัวเองนั่นแหละก็ดูไปดูมาเอ๊งามขนาดพระนะนะั่นนะทันก็บอกว่าดูไปดูมาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจของนั้น ก็ท่องไปท่องมาก็เอ๊มือผมก็ยังงามอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่เห็นมันปฏิกูลตรงไหนเลยก็ว่าโอ้แต่แดงก็ไม่ธรรมาดากันนะเพราะฉะนั้นขนาดเจริญอสุภะอยู่แท้ๆเลยเนาะมันยังงามเลยอ่ะมือตัวเองเลยนะคนอื่นจะขนาดไหนนะะว่ามือเท้าของผู้นี้งามก็ว่าไเธอก็นํามาพิจารณาด้วยอสุภะคือสิ่งที่ไม่งามว่านะ ก็คือวิธีพิจารณาก็าพิจารณาอย่างนี้นะว่าท่านกําหนัดยินดีอะไรคือชอบใจอะไรเหมือนกันชอบใจในผมทั้งหลายหรือนะก็คือหรือว่าในคนทั้งหลายชอบผมใช่ไหมชอบเล็บชอบฟันชอบหนังชอบเนื้อชอบเอ็นชอบกระดูกเกี่อดในกระดูกมา้ามหัวใจตับไตไส้ปอดก็ไล่ไปจนถึงน้ำมูดหรือเหมือ น, นกันก็นึกถึงบางท่านเขากล่าวใช่ไหมเขาพูดเอามาขำๆน่ะนะเขาบอกว่า ระหว่างวัวกับนางงามเนี่ยท่านจะเลือกเอาอะไรคว่า ง, งั้นเอาอะไรนางงามใช่ไหมเก็บอกว่าขณะนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาขาวัวก็ขาดขานางงามก็ขาดจะเลือกเอาขาไหนคำว่า ง, งั้นนะอันนี้ตลกนะเขาเล่นนะแต่ว่าเออฟังดูว่าเขาเขาถ่าดีเหมือนกันนะแล้วก็แนะนำต่อไปว่าเออธรรมดาว่าอัตภาพนี้ประกอบขึ้นด้วยกระดูกสามร้อยทอน ยกขึ้นผูกไว้ด้วยเส้นเอ็นเนี่ยนะ900เส้นชาบทาด้วยชิ้นเนื้อ900ชิ้นให้ท่านขยันนับเนาะนะหุ้มห่อด้วยหนังสดอันความยินดีพอใจในผิวปกปิดไว้แล้วที่จริงก็ความงามอันนั้นเนี่ยนะพระนางสุเมธานะไปอ่านสุเมธาเถรีคถานะีใครหมออ่านถึงอยังสุเมธาเถรีคถานะีเรื่องสุดท้ายเลยในในเถรีคถา โอ้องนี้เทศพเก่งมากเลยนะเขาบอกว่าในธรรมะเนี่ยเขาเอามาเล่าว่าสมัยที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้บวชเนี่ยนะคือสามารถพูดจนคู่มั่นเนี่ยกลับใจเลย อ, <c oughs> อ่ะคือเขาเป็นเจ้าหญิงของอเป็นลูกสาวของพระเจ้าโกนอะอะไรนะพระเจ้าโกนจะอะไรโอ้แสดงทำดีมากเลยนะไปอ่านดูนะในสุเมธาเทรีคาถาเรื่องสุดท้ายเลยนะแต่เรื่องยาวนิดนึงแต่ก็ดีแต่ว่าเนื้อหาเนี่ย เป็นการกล่าวสอนพ่อสอนแม่ถึงการครองบ้านครองเรือนสอนคู่มั่นสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะการกาอยู่ของบ้านรองเรือนแต่ตอนหลังก็บวชบวชแล้วแตกฉานมากแสดงทำได้พิสดารนะนะก็บอกว่าถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาข้างในมาไว้ข้างนอกเนี่ยต้องถือไม้อันหนึ่งไว้อะไรตีหมาเงเหมือนนั้นหมาเนี่ยมันจะตามนะาเท้าข้างในออกมาเนาะ นะ่นะอ่านแล้วเนานะอืเพราะว่าอันหนึ่งเล่าของไม่สะอาดทั้งหลายย่อมไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าคือถาวรเก้าและจากคุ้มขนประมาณเก้าหมื่นเก้าพันขมนะขนของเราเนี่ยประมาณเก้าหมื่นเก้าพันขมเคยนับไหม <c oughs> มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพเป็นสิ่งหน้ารังเกียจเป็นของปฏิกูลอันสะสมไว้ด้วยสิ่งปฏิกูลสามสิบสองประการจะหาสิ่งที่เป็น แก่นสารหรือสิ่งที่ประเสริฐในกายนี้มิได้มี น, นะถ้าถ้าหนึ่งบึกถึงพระเทรีรูปหนึ่งเนี่ยนะเขาพระเทรีรูปนี้เป็นคนงามมากชื่อว่าสุภาหรือโสภาเนี่ยงามมากเลยน ะ, ะความงามนี่ก็มีนักเลงเจ้าชูคนหนึ่งก็ไปจีบนะ น, นะโอ้ยงามจริงๆศึกเธอเธอก็ยังหนุม่มฉันก็ยัง่เธอก็ยังสาวฉันก็หนุ่มเนี่ยนะก็ไปจีบกันนอนทีนี้ ภิกษุณีท่านนำคานะ่ะก็บอกว่ารักอะไรก็ว่างั้นถามง่ายๆก็บอกว่าโอ้ตางามจริงๆเลยรักตานั่นแหละท่านควักให้เลยอ่ะโอ้ยขอโทษใหญ่เลยภิกษุณีนุบนั้นนะ่ะท่านควักตาให้เลยโอ๊ยขอโทษขอโพยใหญ่ท่านเป็นพระอาหารหันต์นะท่านมควักให้ได้ง่ายๆ ง, ยยงั้นนะเสร็จแล้วตอนหลังก็ได้ตาคืนเหมือนกันนะดยพุทธานุภาพ คือคือที่ที่เราชอบเนี่ยนะก็คือเพราะว่ามีองค์ประกอบรวมๆเราเราจึงนึกชอบเนี่ยนะแต่ถ้าแยกมาให้ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะเด็ดให้ทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยโอ้นึกชอบไม่ได้เลยเนาะชอบเล็บก็ตัดเล็บให้เลยอย่างเงี้ยไม่ไหวแลนะ้วเนาะถ้าชอบโอ้โฟันงามจังเงี้ยก็ถอดเอาไปทําพำเครื่องไว เพราะว่าที่จะหาที่เป็นแก่นสารไม่มีหรือสิ่งที่ประเสริฐนิกยนี้ไม่มีเมื่อพโยคีนำความงามออกด้วยอสุภะอย่างนี้ด้วยประการชนีแล้วย่อมละความโลภที่เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายได้เพราะเหตุนั้นการนำความงามออกได้ด้วยอสุภะนี้ชื่อว่าเป็นนิมิตอื่นคือถ้าธรรมดาทั่วไปนี่นะจิตที่เราเป็นโลภะเกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรใช่ห น่ายินดีออกนะโลภะมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะต้องต้องไม่ลืมถึงพิษสงของโลภะอันนั้นเพราะอะไรโลภะถ้ายินดีเกิดขึ้นเนี่ยความเพลิดเพลินเป็นสัจจะไหมเป็นสมุทัยศัจวัตทุกข์เนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะสุดที่ไหนไม่มีสุดนะไม่นึกว่าความยินดีที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยกอ่อภพก่อชาติให้ให้หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะ อันหนึ่งเมื่อความโลภเกิดขึ้นในบริการทั้งหลายมีบาทและจีวรเป็นต้นก็มณสิการด้วยสา ม, มารถแห่งการพิจารณาถึงความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนะว่าจีวรเนี่ยของใครเนี่ยนะยกตัวอย่างบาทเนี่ยของใครเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันใช้อยู่นั่นแหละเป็นของชั่วคราวโดยในที่กล่าวแล้วในสติปัฏฐานวันานาว่าในสติปัฏฐานเรื่องการเจริญอุเบคาอ่าอุเบคา พ่อชงอะนะอุเบกขาสามพ่อชงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยกล่าวถึงวางใจในสัตว์และสังขารเนี่ยนะคือภิกษุย่อมวางเฉยในสังขารทั้งหลายมีบาทและจีวรเป็นต้นด้วยอาการสองอย่างคือโดยความเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของและโดยแท้จริงและเป็นของชั่วคราวเธอก็จะละความโลภนั้นได้นะซึ่งวิธีการพิจารณานั้นก็คงรอทํามีบุญเนาะคงไดเรียนสติปัฏฐานนะ เหตุนั้นมณสิการโดยอาการสองอย่างในสังขารนั้นชื่อว่านิมิตอื่นอันถ้าเราสา ม, มารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นก็เป็นธรรมดาของเขานั่นแหละนะก็เหมือนกับว่าเราทํายังไงจะมีโยนิโสในอารมณ์นั้นเนี่ยนะเมื่อกี้นี้กล่าวถึงเรื่องของโลภะและ้วทีนี้ถ้าโทสะเมื่อโทสะเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายพระโยคีพึงเจริญเมตตาด้วยสา ม, มารถแห่งพสูตทั้งหลายที่นํา ความอาฆาตออกมีกะกะโจรประมะสูตรเป็นต้น น, นะทีพะะ่พระสูตรที่กล่าวถึงเหมือนกับเลื่อยที่ที่มีสองด้ามเนี่ยนะบอกว่าภิกษุหรือภิกษุณีที่ถูกเลื่อยโจรป่าเนี่ยมาเลื่อยเขาบอกว่าถ้าภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดยังจิตให้โกรธกับโจรชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระผู้มีพระภาค หรือประแปรตรงๆก็คือผู้ไม่นับถือพระพุทธเจ้ามีคําสอนที่ไหนว่าสอนให้โกรธใช่ไหมมีทักแห่งหรอกเพราะนั้นความโกรธเนี่ยย่อมยังจิตให้กําเริบเขาวางันความโกรธถ้าเกิดขึ้นก็จะไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยไม่คํานึงถึงประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์เหล่านั้นก็จะมองไม่เห็น เมื่อเจริญเมตตาอยู่ก็ย่อมละโทสะนั้นได้ด้วยเหตุนั้นการเจริญเมตตานั้นชื่อว่านิมิตอื่นนะนะตรงนี้ก็อย่าลืมนะพ ม, มิหารเมื่อโทสะเกิดขึ้นในเพราะวัตถุทั้งหลายมีการกระทบกับตอหนาใบไม้ที่แหลมคมเป็นต้นเธอก็พึงมนัิการถึงธาตโดยนายเป็นต้นว่าท่านย่อมโกรธใครโกรธปฐวีท่าหรือ นะโกรธหินอย่างเงี้ยเดินเท้าเจ็บโกรธหินโกรธปฐวีธาตุเตโชธาตุโกรธอาโปธาตุโกรธธาตุอะไรกันนี่ยเหมืนเมื่อมนัสิการา์ธาตุอยู่อย่างนี้เธอย่อมละโทสะได้เพราะเหตุนั้นมนัสิการถึงธาตุอยู่ชื่อว่านิมิตอื่นนะก็คือไม่ใส่ใจในความเป็นวัตถุนะั้นเนี่ยใส่ใจโดยความเป็นวินิโพครูปใช่ไหมแล้วก็ไ ล, ล่แล้เป็นธาตุอะไรได้บ้างก็นั่งไล่นั่งทบทวนมันตรึกมันตรองให้บ่อยๆมากๆ เมื่อโมหะเกิดขึ้นในธรรมะใดเธออาศัยธรรมะห้าเหล่านี้นะวิธีแก้โมหะนะหนึ่งการอยู่ร่วมกับครูโง่อยู่แล้วนะไปร่วมไปอยู่ร่วมกับคนโง่ไปกันใหญ่เลยยกกาลังเลยนะคูณกันเข้าไปอีก2การเรียนธรรมะนะการเรียนอุเทศเนะีเรียนธรรมะ3การสอบถามธรรมะ สการฟังธรรมะตามการอันควร 5. การวินิจฉัยในธรรมะที่เป็นฐานะอฐานะฐานะแปลว่าเหตุอัานะคือไม่ใช่เหตุอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุก็มันที่จะวินิจฉัยในเรื่องนั้นก็ย่อมละโมหะได้เพราะฉะนั้นภิกษุควรอาศัยธรรมะหเหล่านี้เพราะว่าเมื่อเธออาศรรัยอาจารย์ผู้ควรแก่การเคารพ คือคือคนที่เราเคารพคาว่าเคารพก็คือหนักะนะที่เราหนักกับท่านมาก อ, อาจารย์ย่อมลงธันตกรรมแก่เธอคือเรานี่ไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมให้ทําอะไรก็ไม่ค่อยทําอาศัยความโง่ของเราเนี่ยใช่ไหมท่านก็จะลงธันตกรรมให้ตักน้ําสักร้อยหมอ้อเอ้ตุมนี่ตักให้เต็มให้หมดเหมือนกันนะถ้าไปท่องหนังสืออันนี้นะท่องไม่ได้ไปตักน้ําอ้หลายครั้งเข า, าก็ต้องจําได้เหมือนกันนะฉลาดขึ้นเลยอันนี้ เกลียดตักน้ําความจําเลยดีขึ้นเลยเฟินใหญ่เลยตื่นตัวฉลาดขึ้นเยอะอะไเงี้ย น, นี่เหนะ็นไหมเพราะไม่ถามถึงการเข้าไปสู่บ้านยกตัวอย่างนะคือวิธีที่โมหะเกิดขึ้นบางทีก็เวลาเข้าบ้านบินธบาตในพระวินัยเนี่ยนะต้องไปบอกอาจารย์ก่อนนะไปลาอาจารย์เข้าบ้านบินธบัตนะจะไปบินธบัตปั๊บต้องไปบอกลาอาจารย์เว้นไว้แต่เข้าบ้านด้วยบินธบัตสายเดียวกันกันกบอาจารย์ไปตามอาจารย์ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะไปบินสายอื่นนะต้องไปลาอาจารย์ก่อนนะแม้แต่ไปบินธบาต หรือไม่ทำวัดในการอันควรเป็นต้นเนี่ยนะไม่ทำวัดปฏิบัติเนี่ยนะในวัดปฏิบัติในคันธกะวัดเนี่ยนะวัดสิบี่วัดใหญ่สิบี่อจาริยวัดอุปชัยวัดอันเทวาสิกวัดขมิควัดพัะตะวัดนะวัดในห้องน้ำเป็นต้นเนี่ยซึ่งมีวัดที่จะต้องปฏิบัติอยู่เมื่อไม่สามารถทำวัดเหล่านั้นนะอาจารย์ก็จะลงโทษใช่ไหมทำธกรรมเลยตักน้าร้อยหม้อ พิสูนนั้นชื่อว่าเป็นผู้อันอาจารย์พยายามตบแต่งแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็ย่อมละโมหะในธรรมะนั้นได้นะก็ต้องอาจารย์ที่เราเคารพหน่อยนะอาจารย์ไม่เคารพนี่โอ้โหไม่ทําตามสักอย่างเลยนะหอบบาดสะพายย่ามนี้เลยเนะนะแต่ว่าต้องเป็นครูอาจารย์ที่เราฝากไว้เนื้อเชื่อใจท่านจริงๆแต่อย่าลืมว่าในคัมภีร์นี้ท่านรจนาเมื่อสมัยสักประมาณพศ9 0 0าถึงพันหเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพแตกฉานทรงธรรมทรงวินัยทรงพระตัยวิด o n เนี่ยมากมายมอบกายถวายชีวิตให้ได้เลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ไม่ชักชวนในเราในเสี่ยมที่เสียหายอยู่แล้วอันนี้ข้อหนึ่งนะให้อยู่ร่วมกับครูที่มีความรู้ความสามารถเหมือนั้นเถอะข้อสองคือเมื่อเรียนธรรมะเรียนอุเทศ เมื่อเรียนธรรมะอุเทศอาจารย์ย่อมลงนธนกรรมแก่เธอผู้ไม่เรียนในเวลาอันสมควรบอกให้ท่องก็ไม่ท่องให้สาธยายก็ไม่สาธยายสาธยายไม่ดีหรือไม่สาธยายเป็นตน้นธนกรรมอย่างเดียวทันดาก็คือโทษ อ, อ่ะนะให้ไป ท, ำทํำธนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเธอย่อมเป็นผู้อันอาจารย์พยายามตกแต่งแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ย่อมละโมหะทําได้เมโยองนั่นก็บอกอไปท่องอันนี้มานะบอกผมจําไม่ได้ครับ อ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดหนังสืออ่านตรงนี้สักร้อยร้อยครั้งอ่ะนะอ่านหนึ่งครั้งนับหนึ่งทีอ่านร้อยครั้งจําไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันใหม่โอ้ไปท่องได้เหมือนกันฮช่ก็ที่ไม่ได้จะไปนึกครั้งสองครั้งเองอพอลนะไม่ได้ลนะสายเราบุญน้อยปัญญาน้อยมั่งอ้ยจับทีก็หาวทีบุญน้อยบารมีน้อยอ่างน้อยมีแต่น้อยๆก็เลยเลิกเลย ก็บอกคนยุคนี้บารมีน้อยเคาว่างั้นไอ้น้อยเนี่ยคิดเอาเองว่าตัวเองเนี่ยน้อยเหรือไงคือน้อยจะได้นอนอะนะจะได้ไม่นึกไม่มีใครกล้าตําหนิตัวเองได้นะอของเรามีบุญขนาดนี้เอาอะไรมากมายไปเลยนอนมั่งก็เป็นไรไปน ะ, นะก็คือเอาใจเข้าข้างตัวเองอ่ะนะไม่ให้มีใครตําหนิได้ก็เป็นอกุศลต่อไปฉลาดเท่าเดิมนั่นแหละแปลกว่าคนยุคนี้เนี่ยนึกอย่างหนึ่งนะก็คือ หาวิธีคิดจนตัวเองเป็นอกุศลโดยที่ไม่ผิดอ่ะเฉลาดคิดมากฉลาดคิดในอุบายที่จะทําให้โงงนะเมืม่อเราโกรธนะเราโกรธเราก็มีเหตุผลนะที่เราต้องโกรธยังไงใช่ไหมเราก็ยังดีอยู่นั่นแหละโกรธขนาดหน้าดําคำพิเียษก็เรายังดีอยู่อีกโลภะเกิดอูธรรมดาธรรมชาติอย่างไ้ก็ส่งเสริมมันอีกว่าไปสรุปแล้วอะไรเกิดละโมหะเกิดอ้เรามันปุถุชนอ่ะจะเอาอะไรมากมเหม<อ>ยังไงก็ยินดีะนะพวกนี้ถาวรเลย แต่ขยกักข้อ3นะการสอบถามธรรมะก็คือภิกษุเข้าไปหาภิกษุผู้ควรเคารพแล้วสอบถามว่าท่านครัพข้อนี้เป็นอย่างไรอัตถะของธรรมะนี้เป็นอย่างไรเดียนะคำว่าอัตถะก็คือเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์เป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างไรเธอย่อมกําจัดความสงสัยได้แม้ด้วยอาการอย่างนี้เธอย่อมละโมหะในธรรมะนั้นได้ สงสัยหมวดไหนก็ไปหาผู้พิสูุที่เราเคารพเนี่ยน ะ, ะไม่ใช่เคารพอย่างเดียวนะมีความสามารถในคําสอนด้วยนะแล้วก็มีหลักมีฐานมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถที่จะไปทรงจำนะแล้วก็สามารถทำให้ฉลาดขึ้นได้ข้อสี่นะหมายถึงข้อสี่คือตาเลนะธรรมสวรังเอตัมมังคารมุตตะมังการฟังทำตามการก็เป็นอุดมมงคลคาว่าอุดมมงคลก็คือเหตุให้ถึงความเจริญ นะการฟังธรรมตามการอันสมควรเมื่อภิกษุไปสู่ที่ฟังธรรมตามการเวลาอันสมควรคือคือพระสมัยก่อนเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านจะชอบฟังธรรมมากเลยนะพระพระสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะพระสมัยพันปีแรกอะ่ะจะชอบฟังธรรมมากเลยถ้าได้ข่าวว่าฟังธรรมเนี่ยจะไปละขนาดถือธูดงนะสมาทานตัวเองเนี่ยสมาทานธูดงอยู่แท้ๆเลยว่าอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ย ก็ต้องไปฟังธรรมอ่ะก่อนสว่างเนี่ยรีบไปเลยกลัวทวดงจะขาดทวดงก็เอาฟังธรรมก็เอาว่างันท่านท่านมีใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระที่แสดงธรรมเนี่ยท่านทรงพระไตรปิฎกท่านสามารถายักย้ายถ่ายเทนในคําสอนว่ากันเขาฟังธรรมกันโตรุ่งอ่ะสมัยนั้นนะตอนหลังมาจากนั้นดูหนังกันโตรุ่งเหมือนกันแล้วก็ฟังโดยคารบฟังคารพคือฟังยังไงเนี่ยนะ ฟังเคารพเขายกตัวอย่างว่ามีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะฟังธรรมโดยเคารพก็คือมีพระรูปหนึ่งเนี่ยสารพูดถึงแสดงพุทธคุณอยู่ก็บอกว่าทรงจิตตามธรรมะนั้นโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเลยจิตไม่มีวิตกไปอย่างอื่นเลยนะตั้งแต่เช้ายันรุ่งแล้วยืนฟังด้วยนะเป็นพระราชาสามารถตรึกตามธรรมะเหล่านั้นได้ยาวจนไม่มีเปลี่ยนความคิดไปเป็นอื่นเลยได้ยินทุกคําตรึกตามนั้นได้หมด อันนี้เขาเรียกว่าฟังโดยเคารพเป็นต้นเนี่ยนะก็คือไม่ไม่มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะขนาดตื่นอยู่นะจะกล่าวไปยัยถึงหลับเหมือนกันอัฐธรรมะในที่นัน้นย่อมแจ่มแจ้งแก่เธอใช่คือพอฟังก็ได้พยันชนะใช่ไหมพยันชนะเหล่านั้นนะที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นจะมีเนื้อความรองรับไม่ใช่เป็นคาพูดที่ พูดลอยๆที่ไหนก็ไม่รู้นะพูดไปเรื่อยนะจับหัวชนท้ายไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคําสอนนี้จะมีอาธิกลยานังมัชเชกลยานังปริโยสานกายานังอั้นถ้าเราสามารถตรึกตามได้เนี่ยนะแล้วก็สงเคราะห์ลงอริยสัจไปเรื่อยๆเนี่ยน ะ, ะพื้นฐานในการตรึกเรื่องขันธะอายตนะสัจจะเป็นต้นเรามั่นคงแล้วเวลาฟังธรรมเนี่ยนะแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยโอ้ลึกซึ้งไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เคยตรึกเนี่ยโอ้แต่ละคํานี่ก็ ธรรมดาธรรมดาฟังแล้วเหมันฟังแล้วลืมแล้วด้วยทีนี้ข้อห้านะก็คือการวินิจฉัยฐานะและอาถนระบุคคลผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้หรือหมายถึงเหตุและอาถรรพคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่านี้เป็นเหตุของสิ่งนี้นี้ไม่ใช่เหตุของสิ่งนี้ดังนี้เป็นต้นเ น, น, น, นี่ยนะในฐานะฐานหรือว่าฐานะอาถเนี่ยนะ มีมีหลายแห่งมากเลยที่ที่กล่าวถึงเรื่องฐานะอาฐานะต้องเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยมากๆากนะนี้ก็เป็นเหตุให้ละวิจิกิะละโมหะได้เพราะฉะนั้นเหตุนั้นาการอาศัยธรรมะหของเธอนั้นชื่อว่านิมิตอื่นนี่นิมิตอื่นแห่งการละโมหะ อีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน38เธอย่อมละอกุศลวิตกเหล่านี้ได้เนี่ยนะหรือก็ใส่ใจในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพอคิดเป็นอกุศลปั๊บนึกถึงกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดเราเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นเป็นกุศลแล้วละ่ะ เพราะนิมิต5ที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นค่าศึกและเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อกิเลส ท, ทั้งหลายมีราคะเป็นต้นกิเลสที่มีราคาเป็นต้นที่ละได้ด้วยนิมิตหเหล่านี้แล้วย่อมเป็นการละอย่างดีเหมือนอย่างบุคคลผู้ดับไฟโดยใช้ไม้สดบอยบ้างเนี่ยนะถ้าถ้าใครเคยดับไฟในสมัยก่อนเนี่ยที่บางทีเราที่นาเนี่ยนะเาจะมีการจุดไฟ เรากลัวจะมาไหมนาเราเราก็ไปหาขักกิ่งไม้สดๆมาเนี่ยเราก็ปัดเนี่ยนะคือตีเอาไม้สดเนี่ยนะตีให้มันเข้าไปหาไฟคืนเนี่ยนะตีมันก็จะไม่ไหม้ไม่ลามยังไงเรียกนะว่าใช้ไม้สดเนี่ยมาโบยบ้างเอาฝุ่นเนี่ยไปกลบบ้างเนี่ยนะเอากิ่งไม้อื่นๆบ้างย่อมทําให้ไฟดับแต่นะ้ําซึ่งเป็นค่าศึกโดยตรงของไฟเมื่อดับ ไปด้วยน้ําซึ่งเป็นค่าศึกโดยตรงย่อมเป็นการดับดีแล้วฉันใดกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นที่ละได้ด้วยนิมิต5เหล่านี้ชื่อว่าเป็นการละอย่างดีฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบคําเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วที่จริงแล้วไอ้วิธีที่ยกมานั้นก็หนึ่งในวิธีหนึ่งใน5อย่างกา ร, ล ะ, าก ร, รนะละอกุศลธรรมเนี่ยนะละอกุศลวิตกเนี่ยหอย่างน ะ, ะข้อแรก ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่กล่าวไปทั้งหมดเลยก็คืออัญญานิมิตบพะคือหมายถึงหมวดว่าด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิมิตนิมิตก็คืออารมณ์นั่นเองอหรือคำว่าเปลี่ยนนิมิตเนี่ยนะสิ่งเดียวเป็นได้หลายนิมิตใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เรานึกนึกถึงเรื่องอะไรมากนึกเนี่ยนะจะนึกสองอย่างคือนึกถึงรูปกับเสียง สองอย่างนี่นะจะมาก่อน เ, นเวลาอยู่ๆเนี่ยนะ เ, เช่นนึกถึงหน้าใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็นึกถึงคำพูดของคนนั้นพูดเนี่ยนะสีกับเสียงเนี่ยจะสลับกันพวกนี้เป็นอะไรเป็นประมัิใช่ไหมประมัินี้หมายคำว่าเป็นประธานของประธานของบัญญัติพอนึกถึงหน้านึกถึงคำปั๊บจะต่อด้วย เรื่องราวทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายแหลก็มีปรมัดคือรูปกับเสียงรองรับเนี่ยนะรองรับอยู่ตลอดอในบญัติเหล่านี้เนี่ยที่เรานึกถึงก็มีพื้นฐานมาจากรูปกับเสียงเรื่องราวก็เป็นตัวกำหนดจิตได้เหมือนกันนะชดะเช่นเรื่องที่เราชอบใจนะอาศัยรูปอันนี้ เรื่องราวที่เราชอบใจส่วนใหญ่ก็เป็นไปกับรู้เลยว่าเป็นโลภะเนี่ยนะอันนี้ถ้ากำลังเจริญเมตตาอยู่ใช่ไหมเมตตามีปียะ ม, มนาปะนะนะเป็นที่ทักที่ชอบใจสมมติวันนี้กุศลนะกุศ ล, ลจิตกำลังเจริญเมตตาดีๆเลยใครสักคนหนึ่งแวบขึ้นมาเนี่ยนะ เสียงสักคำหนึ่งแวบขึ้นมาปั๊บจะต่อด้วยเรื่องราวเนี่ยนะเรื่องราวนั้นอ่ะถ้าเรื่องราวที่เราชอบใจเนี่ยนะยกตัวอย่างนะเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานเนี่ยนะงานที่เราชอบงานนั้นเราชอบหรือไม่ชอบถ้างานที่เราชอบเนี่ยนะโดยที่มีรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยเป็นเป็นเครื่องรองรับเนี่ยงานนั้นส่วนใหญ่เป็น โลภะอันนี้ถ้าเรื่องที่เราชอบอเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยนะกำลังคิดงานบางอย่างไม่ตกอยู่ น, นะโทสะนะไม่ชอบแต่ว่ามันไม่เสร็จอะ่ะซึ่งต้องรีบทําให้มันเสร็จ อ, อันนี้ทั้งทงนี้นึกเมื่อไหร่ก็กังวลใจทุกทีโดยที่อาศัยรูปเสียงก็คือกิจการงานนั้นๆที่เราทําค้างคาอยู่นึกทีไรก็กังวลเพราะมันทําไม่เสร็จนี่รู้ว่าจิตในขณะนั้นเป็นโทสะเนี่ยนะ หรือนึกถึงเวลาเรานัดใครจะไปธุระที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องนั้นท่านนึกแบบชอบชอบก็โลภะท่านึกแบบเอ๊จะไปทันหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะบิตกกังวลก็เป็นโทสะนะกับโมหะอันนี้คิดไปเรื่อยอนะคนคิดเองก็ยังไม่รู้่คิดไปทำอะไรเลย่เคยปะ อยู่ใช่ๆขับรถเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะคิดไปเรื่อยที่ไหนก็ไม่ค่อยดูดูถนนพอว่าไม่เกิดบัตรเหตุพอละที่เหลือก็ป้ายพูดอย่างกงว่าเคยขับจริงไม่เคยขับหรอกนั่งบังเกตดูคนขับว่างั้นนะเัรส่วนสามตัวนี้ก็จะเป็นไปอยู่อย่างเงี้แหละเพราะเพราะอะไรเพราะขณะนั้นไม่ได้เป็นไปกับกุศลแล้ว เพราะฉันถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะเท่ากับแปดดวงบวกเจตสิกที่ประกอบเท่าไหร่นะไม่เกินยี่สิบสองใช่ไหมโทสะก็สองดวงบวกเจตสิกที่ประกอบไม่เกินยี่สิบสองเหมือนกันเ่สิบสองโมหะที่จริงโมหะเนี่ยนะเกิดร่วมกับสิบสองดวงนะกับอกุศลจิตสิบสองดวงแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยบางทีก็อุทจฉะ นะแต่วิจิกิจชาเนี่ยบางทีของพวกเราไม่ค่อยเกิดกันง่ายๆนะศึกษาธรรมะมาเนี่ยคนที่วิจิกิจชาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะเช่นสงสยัยบุญบาปมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าสงสัยก็คือวิจิกิจชาก็คือวัตถุ16บหะสงสัยใน16เรื่องใช่ไหม อ, อดีตการเรามีหรือเปล่าเนาะก็ไม่อะไรสงสัยอะไรเท่าไหร่นานๆคิดทีนึงหรือไม่ก็พุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะสงสัยใน8อย่าง มีสงสัยในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ในศิกษาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยก็เมื่อไหร่จะสงสัยทีก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวิจิกิจชาเนี่ยโมหะประเภทนี้ก็บางทีก็ไม่ค่อยเกิดนะเห็นไหมถ้าอุทาจจะเนี่ยแหละคิดไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเป็นมูลจิตนะแต่โมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับ12บสวกยี่ ดังนั้นโดยอาศัยสิ่งนี้นะสามารถอ่านความคิดเราได้ถ้าอ่านความคิดอันนี้ได้เนี่ยนะจะต่อด้วยเรื่องเวทนาได้เนี่ยนะว่าเวลาเราคิดโลภะแล้วเวทนามี2คือโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยนะถ้าโทสานนี้รู้เลยว่าเป็นโทมณ์โมหะเนี่ยนะก็ต้องดูว่าโมหะเป็นไปกับอะไรได้เวทนาสามโทโส จะเจริญเวทนานุปัสนาต่อไปก็ได้เนี่ยนะถ้าถ้าเราจะเรียนเรื่องเวทนานุปัสนามั้นก็ต้องหมั่นอ่านส่วนใหญ่แล้วการที่เราตรึกถ้าทำนั้นอ่ะต้องสามารถแยกทั้งสองอย่างเลยนะมองจิตเพื่อที่จะเข้าถึงอารมณ์เช่นเราเห็นว่าเราคิดยังไงกับอารมณ์นั้นๆแล้วอารมณ์นั้นนั้นสามารถเป็นปัจจัยให้แก่จิตอะไรบ้างเนี่ยนะต้องพยายามคิดสลับกันไปสลับกันมาในลักษณะนี้บ่อยบ่ยเนี่ยนะ ถ้าคิดคิดสลับน้อยพระธรรมเราจะเข้าใจน้อยเลยว่าในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยนะเป็นโลภะแปดได้ยังไงเราจะคิดไม่ออกเลยนะถ้าเราไม่พยายามฝึกกลับไปกลับมาแบบนี้ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ทําไมโทสะจึงเกิดได้สองดวงในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ทำไมอุทาจากกจะ จ, จึงเกิดทำไมวิจิกิจฉาจึงเกิดนรัก็สามารถมองพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะรู้เรื่อง อาสะวะใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดอาสะวะอยู่อาสะวะมีหนึ่งกามาสะวะองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะสองทิฏฐาสะวะองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐินะก็อยู่ในนี้แล้วก็ภวาสะวะองค์ธรรมได้แก่โลภะแล้วก็อวิชชาสะวะองค์ธรรมได้แก่โมหะโดยที่มีสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเป็นเป็นอารมณ์นะส่วนเมื่อได้รูปได้เสียงแล้วก็ รูปเสียงอันนั้นเนี่ยนะจะมีมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยบวกกลิ่นเข้าไปบวกรถบวกโพธพภะคออือยูยูเนี่ยนะส่วนใหญ่จะนึกถึงสีก่อนเป็นอันดับแรกสีเนี่ยอ่าเป็นอารมณ์ที่ที่กว้างขวางมา ก, ก น, นะเราจะนึกถึงอะไรจะนึกถึงสีก่อนเพราะพระองค์จึงแสดงเรื่องสีเป็นอันดับแรกเห็นะ อย่างคนโกรธเราเนี่ยนะถ้าหากว่าฟังนึกเสียงเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่นะแต่นึกถึงสีหน้าของคนด้วยวเราไปกันใหญ่เลยเห็นแล้วก็พยายามแยกๆอันนี้ได้ถ้าแยกได้ก็รู้เลยทันทีว่าเมื่อคิดแบบนี้ควรแก้แก้ความคิดนั้นอย่างไรเห็นถ้าคิดเป็นโลภะแก้ความคิดอย่างไรถ้าคิดเป็นโทสะแก้ความคิดเราอย่างไรถ้าโมหะคิดอย่างไรที่จริงอารมณ์นั่นแหละ พลิกความคิดหนึ่งสองพลิกอารมณ์ทีจริงอารมณ์เนี่ยจิตเนี่ยคิดอารมณ์ได้ทั้งสามการใช่ไหมอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์เมื่ออารมณ์ไม่จํากัดการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกคิดเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมนึกถึงพุทธคุณก็ได้นึกถึงพุทธประวัติสมัย น, ะนั้นโหพุทธเจ้าจาริกมีภิกษุห้อมล้อมอย่างนี้ก็ได้นะนึกยังไงก็ได้สักอย่างหนึ่งให้จิตเป็นกุศล แต่คนที่จะมันขยันคิดแบบนี้เนี่ยต้องเห็นอา น, นิสงค์ของกุศลนะมองเห็นกุศลเป็นเป็นซับเมื่อมองเห็นกุศลเป็นรัพย์ก็จะมันพยายามที่จะเอ๊ะทำยังไงที่จะนึกเป็นกุศลได้บ่อยๆมากๆอ่าถ้าเราฝึกคิดให้จิตเป็นกุศลได้บ่อยๆนะต่อไปเนี่ยพสัสดุทุกสูตรเนี่ยโอย้ดีจริงๆเลยเพราะจะช่วยให้เราคิดเป็นกุศลไม่งั้นนะอวิชาก็จะเกิดนะนะอวิชาเกิดมากๆนี่ก็ที่สุดของอวิชาที่ที่ไหน อวิชาเนี่ยเป็นพาไปอบายนะนี่ร้องแบบนี้แหละอันนี้เห็นเนียจริงจ ก, กตัวหนึ่งโอ้หัวมันปูดหัวมันเหมือนกันเน่าขนาดนั้นยังวิ่งนึกกรรมวิจิตจริงๆเลยนะจริงจกหัวเนี่ยเน่าหมดเลยบวมขึ้นแล้วก็นเน่าอะโอ้มันยังมีชีวิตอยู่อีกทุกขากายญาวิญญาณจะขนาดไหนเนาะมะนาศิการเมื่อไหร่ก็เจ็บทุกทีเลยนะ โธ่สาก็เกิดตลอดอ น, นะนะก็มองหายุงกินยุงกินมแมลงกว่าจะอิ่มการอิ่มหนึ่งชีวิตเอ่อหนึ่งมือเขาเนี่ยหมายถึงชีวิตสัตว์ตั้งหลายตัวมั้นคนพานเนี่ยที่จะมาสู่สุขติโลกสวรรค์ได้คืนเนี่ยยากนกะว่าไ ง, งยากที่เขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าในหมู่คนพานไม่มีการทํากุศลในหมู่สัตว์ในอบายไม่มีการทํากุศล เมื่อสัตว์ในอบายเหล่านั้นถ้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ้างในครั้งคราวก็มาเกิดในตระกูลที่ต่ำเนี่ยนะรูปร่างไม่ดีเรียกว่าถ้าไม่ทําบาปไม่ได้กินอีกนั่นแหละมาเป็นมนุษย์ก็ช่งางเถอะฟงกันนึกถึงว่ามือหนึ่งเนี่ยโหชีวิตสัตว์กี่กี่ตัวเนี่ยนะเขาจึงจะอยู่ได้นึกถึงปลาเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าไปหาปลาปลาซีวปลาอะไรเล็กๆปลาบางตัวมันเล็กกว่าปลาซีวเองไม่รู้ปลาอะไรครับปลาเข็มเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ย แล้วกว่าจะอิ่มหนึ่งเนี่ยถ้วยขนาดเนี้ยกี่ร้อยตัวเนี่ยนะผมกี่ร้อยชีวิตเข้าไปที่จะอิ่มอิมหนึ่งคือที่พูดลักษณะ น, นี้เพราะว่านามานเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนึสืองโอ้ปลอดมาได้ยังไงไม่รู้แล้วถ้าประมาทก็กลับบ้านเก่าอีกนะอบายทุกขติวิบาตนี่เป็นเหมือนบ้านเดิมเราเนาะเพราะฉะนั้นนึกถึงนะบางทีเนี่ยหน้าหน้าแรงอย่างนี้แหละใบไม้ผลิใบยอย่างเงี้ย มีใบไม้อามีแมลงบางตัวซึ่งกินใบไม้อะแมงอะไรนะพวกแมงกินนูนแมงไม่ใช่แมงกินนูนเนี่ยนะโอ้ทีไปล่อนมาที่ครึ่งถังเลยนะทีนี้ทีนี้เรามานึกถึงสภาพจิตของเราว่าหูเราเนี่ยสะสมจิตที่หยาบขนาดนี้เลยนะไม่ได้รู้สึกกรุณาเลยนะสมัยนั้นเนี่ยโอ้เขาเนี่ยนะเป็นสัตว์ในอบายกว่าจะเกิดได้ไม่รู้สึกกรุณาเกิดแม่แต่นิดเดียวว่าแสดงว่าจิตขนาดนั้นเราหยาบมาก แสดงว่าสะสมมาทุกอุปนิสัยกรรมที่ทาไว้นี่มากมายมหาศาลกรรมเหล่านั้นไม่ลืมเราแน่นะถึงเราจะลืมเขาแต่เขาไม่ลืมเราเมื่อเขาไม่ลืมเราเขาได้ปัจจัยเขาจะให้ทันทีประโยคาวิบัติอคุสลให้ผลเลเพราะว่ากรรมจะให้ผลโดยอาศายัยกาลคติอุปธิและประโยคะที่บางอย่างยังไม่ให้ผลเพราะหนึ่งคติช่วยไว้เราเป็นมนุษย์อยู่สองประโยคบางอย่างช่วยเอาไว้เฉยเเนี่ยนะ อ า, อาศัยการละคติอุปธิช่วยเข้าไว้ถ้าหากว่าสุคติพบเนี่ยท้อหมดไปหรือประโยค่าวิบัติเมื่อไรเนี่ยนะเขาไม่ลืมเราแน่เพราะกรรมที่ทํำไว้แล้วเนี่ยนะเฉพาะดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยไม่เป็นอโหสิกรรมถ้าดวงที่หนึ่งนะถ้าไม่ให้ผลชาตินี้ก็เป็นอโหสิกรรมไปของชาติที่แล้วนะถ้าไม่ให้ผลในชาตินี้นะดวงที่7เนี่ยของชาติที่แล้วก็จะเป็นอโหสิกรรมไปแต่สองถึง6จะไม่เป็น อโหสิกรรมแกเราเลยเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วทำไมเราจะต้องมัวเลือกเก็บดอกไม้อยู่เล่านะมัวโอ้เพลินในดอกไม้งามก็บอกว่ามัจจุคราชสัตว์ผู้ยังเลือกเก็บดอกไม้ไม่ทันอินนั่นแหละตายแล้ว่นะเห็นไหมนะเอาแค่นี้พอ